ชนเหล่านั้นสามารถบรรลุพ้ารอหารด้วยอาการอย่างนี้นะพระ อ, องค์ก็เลยตรัสอาทิตตะปรระยะสูตรซึ่งในสูตรนี้อที่จริงเราก็เคยฟังหรือคุณเคยกันมาค่อนข้างบ่อยแล้วนะที่กล่าวว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะตาบลขยาศีษะริมฝั่งแม่น้ำขยา พร้อมกับพิสูจน์หนึ่งพันรูปณนะที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับพิสูจทั้งหลายว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายสิ่งทั้งปวงนี่เป็นของร้อนนะสับพังพิขเวอาที่ตังเหมือนนเถอะสิ่งทั้งหมดนี่ร้อนหมดเลยอนนสิ่งทั้งหมดในที่นี้เน้น เ, นเฉพาะอะไรสักกายสัพพะนะสิ่งที่เป็นของร้อนเนี่ยสิ่งทั้งปวงตัวนั้นเน้นสักกายสัพพะคือเน้นอุปาทานขันห้าว่าสิ่งทั้งปวงพวกนี้เป็นของร้อนดูก่อนพิสูจทั้งหลายก็สิ่งงงงทั้้ปปวเ็นนขออออรระคืไ จักสุเป็นของร้อนนะถ้าเป็นบาลีเลยเนี่ยก็จะพินอ่าเต็มนะจักคุ้งอาทิตตังรูปังอาทิตตังจักขูวิญญาณังอาทิตตังเนี่ยแปลว่าจักสุเป็นของร้อนรูปเป็นของร้อนจักสุวิญญาณเป็นของร้อนจักขูสัมผัสเป็นของร้อนแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักขูสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของร้อนอ่านะร้อนเพราะอะไร เรากล่าวว่าร้อนพระไฟคือราคะร้อนพระไฟคือโทสะร้อนพระไฟคือโมหะร้อนพระไฟคือชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนับและอุปาญาตอันนี้นะสูตรนี้พอตรัสวิปัสนาเลยนะพูดทุกขลักษณะทันทีเลยเรียกว่าประกาศไตรลักษณะนะแต่ว่าประกาศด้วยทุกเน้นเน้นทุกทกขลักษณะมากกว่าอย่างอื่นเนี่ยนะนจริงจก็ประกาศทุกขลักษณะกับ อันนี้จะลักษณะนะหูเป็นของร้อนเสียงเป็นของร้อนโสตะวิญญาณเป็นของร้อนโสตะสัมผัสเป็นของร้อนแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาที่เกิดเพราะโสตะสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะไฟคือราคะร้อนเพราะไฟคือโทสะร้อนเพราะไฟคือโมหะร้อนเพราะไฟคือชาติชรามรณะโศกะปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปาญาต จมูกเป็นของร้อนกลิ่นเป็นของร้อนคานวิญญาณเป็นของร้อนคานาสัมผัสเป็นของร้อนแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาทุกคมสุขเวทนาที่มีคานาสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของร้อ น, ร, อนร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะไฟคือราคารระร้ อ, รอนเพราะไฟคือโทสะร้ as, รอนเพราะไฟคือโมหะร้อนเพราะไฟคือชาติชารา ม, มรณาโศกะปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปาญาตเย้ ลิ้นเป็นของร้อนรถเป็นของร้อนชิวหาวิญญาณเป็นของร้อนชิวหาสัมผัสเป็นของร้อนแม้สุขเวทนาทุกเวทนาอทุกขมสุขเวทนาที่มีชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะไฟคือราคะร้อนเพราะไฟคือโทสะร้อนเพราะไฟคือโมหะร้อนเพราะไฟคือชาติ ช, าชารามรณาโศกะปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปาญาตเนไกายเป็นของร้อน โพธะพระเป็นของร้อนกายวิญญาณเป็นของร้อนกายสัมผัสเป็นของร้อนแม้สุขเวทนาทุกเวทนาทุกขมสุขเวทนาที่มีกายสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของร้อนอนะร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะไฟคือราคะร้อนเพราะไฟคือโทสะร้อนเพราะไฟคือโมหะร้อนเพราะไฟคือชาติชารามรณะโศกปริเทวะทุกขทโทมณตและอุปาญา ใจเป็นของร้อนธรรมารมณ์เนี่ยเป็นของร้อนมโนวิญญาณเป็นของร้อนมโนสัมผัสเป็นของร้อนแม้สุขเวทนาทุกเวทนาทุก ข, สาากขามาสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของร้อนนะโดยที่สุดแม้แต่ความคิดยังร้อนเลยว่าันนะนะร้อนเพราะอะไรเรากล่าวว่าร้อนเพราะไฟคือราคะร้อนเพราะไฟคือโทสะร้อนเพราะไฟคือโมหะ ร้อนเพราะไฟคือชาติชรามราณะโซกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตดูก่อนพิสูจนทั้งหลายอริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ใช้คำว่าเห็นนะเห็นก็คือติดตามเห็นแบบนี้เป็นเป็ น, ปนอัธยาศัยเลยคำว่าเห็นอันนั้นเป็นวิปัสสนาหรืออนุปัสสนาสามนั่นเองมเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ก็ย่อมเบื่อหน่าย อันนี้เป็นนิพพิธาเนี่ยนะเบื่อหน่ายแม้ในจักสุเบื่อหน่ายในรูปเบื่อหน่ายในจักสุวิญญาณเบื่อหน่ายในจักสุสัมผัสย่อมเบื่อหน่ายแม่ในสุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาที่มีจักขู่สัมผัสเป็นปัจจัยย่อมเบื่อหน่ายแม้ในหูย่อมเบื่อหน่ายแม่ในเสียงย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโสตวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายแม่ในโสตสัมผัสย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาที่มีโสตสัมผัสเป็นปัจจัย ย่อมเบือนายแม้นายจมูกย่อมเบือนายแม้ในกลิ่นย่อมเบือนายแม้นาคานะวิญญาณย่อมเบือนายแม้นาคานาสัมผัสย่อมเบือนายแม้นสุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาที่มีคานะสัมผัสเป็นปัจจัยย่อมเบือนายแม้ในลิ้นย่อมเบือนายแม้นรสย่อมเบือนายแม้นชิวหาวิญญาณย่อมเบือนายแม้นเชีวหาสัมผัสย่อมเบือนายแม้นสุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาที่มีชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัย ย่อมเบื่อหน่ายแมในกายย่อมเบื่อหน่ายแม่นาโพธพภะย่อมเบื่อหน่ายแม่นกายญาวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายแม่นกายญาสัมผัสย่อมเบื่อหน่ายแม่นสุขเวทนาทุกเวทนาทุกขมสุขเวทนาที่มีกายญสัมผัสเป็นปัจจัยย่อมเบื่อหน่ายแมในใจคือมโนเนี่ยนะย่อมเบื่อหน่ายแมในธรรมอรมณ์ย่อมเบื่อหน่ายแม่น มโนวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายแม้ในมโนสัมผัสย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสุขเวทนาทุกขเวทนาทุก ข, ขม ส, สุขเวทนาที่มีมโนสัมผัสเป็นปจัจจัยอันนี้พิทาบริบูรณ์หมดเลยในทุกอารมณ์เยในอุปาทานกันห้าหมดเลยพราะนั้นเมื่อเบื่อหน่ายอันนั้นแหละเป็นอุปาณิสัยแห่งคลายกำหนัดคืออริยมรรคเนี่ย เพราะฉะนั้นถ้าเป็นที่อื่นนะเราพูดแบบย่อกว่านั้นก็คือบอกว่าสาเพสังขาราอนิจาติหรือว่าทุกขาติยะทาปัญญายปัสสติเนี่ยนะบอกว่าเมื่อใดบุคคลเห็นสังขารทั้งปวงว่าเป็นทุกอัตหนิพินตินี่นะก็ย่อมเบื่อหน่ายในทุกอันนั้นต์ในสิ่งที่ตนหลงความเบื่อหน่ายในทุกนั่นเป็นทางแห่งพระนิพพานขณะในความคลายกําหนัดอันนั้นเป็นชื่อของอริย ม, มรรคฝันจิตก็หลุดพ้น เมื่อหลุดพ้นก็ย่อมมียาหอย่างรู้ว่าเราหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําทําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีนั่นแนหะพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไวยากรภาสิทนี้จบลงที่ใช้คําว่าไวยากรณ์นี้เพราะไม่มีคาถาเลยมีแต่คําพูดธรรมดาเนี่ยนะพิสุเหล่านั้ น, ะ น, นต่างชื่นชมยินดีพระภาสิทธ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็แหละเมื่อพระองค์ได้ตรัสไวยากรณภาษิทนี้อยู่ภิกษุหนึ่งพันรูปนั้น ต่างก็มีจิตหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นนะไม่มีการมาสวะที่ฐาสวะภวาวสวะอวิชชาสวะในอุปาทานขันห้าเลยเพราะฉะนั้นคำกระนั้นว่าตัดอาสวะได้เบ็ดเสร็จหมดเรียกว่าขีณาสวะสำนวนไทยว่าขีณาศกแปลว่าถ้าขีณาศกก็คือผู้สิ้นอาสวะแล้วเนี่ยนะไม่มีอาสวะหรือสำนวนว่าไม่มีกลิ่นอายในอายตนะเหล่านี้ที่ด้วยอำนาจฉันทราคะเลย ล้างเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้ว น, นี้ล้างบาปได้จริงๆอ่างนั้นจะ้ะอันนี้ล้างบาปจากอายตนะทั้งมวลได้หมดเลยของเราก็วางจบแล้วเป็นยังไงบ้างคุณนายเอานะนายทราบซึ้งแล้ว อันนี้วิราคานี่หมายมักเลยเนี่ยนะอายตนาภายในอ่ะนะคือตาบวกกับรูปเกิดจากครูวิญญาณเนี่ยนะนี่เอามโนโบ้างนะคุณดีมโนโบวกธรรมะเกิดมโนโวิญญาณ อ่ะ น, นะอาศัยองค์ประชุมสามอย่างนี่แหละเรียกว่าพรรษนะาพรรษะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาเป็นตัดจะปกติก็เวทนานี้ก็แบ่งออกเป็นสามใช่ไหมสุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุก ข, ขมสุขเวทนาเนี่ยนะนะพวกนี้พระ อ, องค์ก็บอกว่าร้อนเนี่ยนะ ที่ติดตามมาชติคือร้อนเพ่อไฟคือราคะร้อนพ่อไฟคือโทสะร้อนพ่อไฟคือโมหะตรงเนี้เป็นรหัสบอกแล้วว่าปกติศาสตร์ทั้งหลายเมื่อได้สิ่งเหล่านี้จะต้องต่อด้วยไฟคือราคะเนี่ยเผาไฟคือโทสะเนี่ยเผาไฟคือโมหะเนี่ยเผาเห็นไหมเวทนาเนี่ยเป็นเครื่องบอกเหมือนกันว่าเขาจะเกิดกิเลสอะไรเพราะฉะนั้นถ้าว่าพวกนี้อุปมาเหมือนกับฟืนใช่ไหม เป็นที่ทําให้ไฟพวกนี้มันลุกขึ้นพรานเมื่อมีมโนโมีอารมณ์ทั้งหลายความคิดเกิดขึ้นความคิดเกิดก็มีเวทนาเกิดร่วมทัานในขณะนั้ น, นถูกเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีให้ไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะเนี่ยเผาอย่างหนึ่งทัานก็ประกาศถึงว่าพวกนี้เป็นเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสไอราคะโทสะโมหะเนี่ยนะพวกนี้มีหลายชื่อใช่ไหมอย่างเช่นเป็นเป็นอะไรพวกนี้ เป็นสังโยชนิยธรรมเนี่ยนะสังโยชนิยธรรมแปลว่าทรรมเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์เนี่ยนะหรือว่านิวรณิอ่นิวรณิยธรรมธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งนิวณ์เนี่ยนะหรืออาสวัฐานิยธรรมทมเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะเนี่เห็นชาติอย่างหนึ่งว่า ความคิดไม่น่าเพลิดเพลินสิ่งที่ถูกคิดก็ไม่น่าเพลิดเพลินแม้กระทั่งความคิดหรื อ, อภาษาเวทนาที่เกิดหลังจากความคิดนะสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยไม่ควรเพลิดเพลินเพราะอะไรมันร้อนนะนะถ้าไม่มีโมโนอันนี้ราค่ามันจะเผาไหมเพราะฉะนั้นถ้าว่าไปนะถ้าฟืนมันถ้าไฟมันลุกไหมนะจากฟืนใดก็เรียกว่าฟืนนั้นเป็นของร้อนก็ไม่ผิดอะไรแล้วตัวของมโนธรรมมโนวิญ ญ, ญาณภาษะเวทนานะ เนี่ยเป็นตัวที่เรียกว่าชาติชรากับมรณะที่เกิดแก่ตายก็ไม่มีอะไรเกิดแก่ตายใช่ไหมก็คือมโนธรรมมโนวิญญาณภาษาเวทนานั่นแหละประชุมกันเรียกว่าเกิดขึ้นเนี่ยนะแล้วก็ไอ้สิ่งเหล่านี้เมื่อดำรงอยู่นี่เรียกว่าชราเมื่อสิ่งเหล่านี้เสียหายไปเรียกว่ามรณะทีนีช้ชาติชรามรณะเนี่ยเป็นที่ตั้งของอะไรบ้างเนี่ยนะโสกะ ปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาต น, นถ้าจะพูดว่าอันนี้เป็นมงกุฎของของทุกอันนี้ก็ไดไ้เพราะมันเป็นที่ตั้งแห่งแห่งทุกอย่างมากเพราะนั้นก็จะเห็นชัดเลยว่าธรรมะทั้งกลุ่มเนี่ยซึ่งมโนธรรมะมโนวิญญาณภาษาเวทนาเนี่ยซึ่งเป็นทุกขสัต เป็นทุกขสัตว์เมืม่อเป็นทุกขสัตว์เนี่ยแสดงว่ามโนก็เป็นสิ่งที่เกิดจากปัจจัยใช่ธรร ม, มะก็เป็นสิ่งที่เกิดจากปัจจัยมโนวิญญาณก็เป็นสิ่งที่เกิดจากปัจจัยภาษะเวทนาก็เป็นสิ่งที่เกิดจากปัจจัยสิ่งเหล่านี้สิ่งที่เกิดจากปัจจัยเนี่ยนะมันเป็นที่ตั้งแห่งราคะโทสะโมหะ อันพระองค์ก็ประกาศประกาศในความเป็นทุกษัตริย์ของเขาว่ามโนเป็นของร้อนธรรมะเป็นของร้อนมโนวิญญาณเป็นของร้อนภาษาเวทนาเนี่ยนะเป็นของร้อนร้อนพระไฟคือราคะร้อนพระไฟคือโทสะร้อนพระไฟคือโมหะเนี่ยนะแล้วก็พวกนี้ยังเป็นสิ่งที่เป็นชาติชารามรณะมาเผาอีกโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปาญาตก็มาเผาอีกมันก็เรียกว่าไฟ11กองเนี่ยเผาหนึ่งราคะสองโทสะสมโมหะ สี่ชาติห้าชราหกมรณนะเจ็ดโสกะ 8. ปดปริเทวะเก้าทุกสิบโทมนัส1ิบอ็ดอุปายาตเนี่ยนะเรียกว่าโลกมันร้อนระอุก็คือร้อนระอุ ด, ด้วยไฟสิบอดกองเหล่านี้แหละมันเผาเนี่ยนะพราะนั้นอริยสาวกที่ได้ฟังอย่างนี้เนี่ยนะก็จะเบืร์หน่ายในมนโนใช่เบื่อหน่ายในมนโนทุกชนิด เบื่อหน่ายในธรรมะเบื่อหน่ายในมโนวิญญาณเบื่อหน่ายในภาษะมันจึงไม่ต้องการมโนทั้งที่เป็นไม่อะไรอาวในมโนที่เป็นอดีตไม่มุ่งหวังต้องการมโนที่เป็นอนาคตเนี่ยนะก็ตัดฉันทราคะในมโนทั้งหลายเหล่านี้เพราะว่าอย่างอาสะวะทั้งหลายที่ที่มาเพลิดเพลินเนี่ยนะอาสะวะประกอบด้วยกามาสะวะกามาสะวะก็คือความ ยินดีในสิ่งเหล่านี้ความเพลิดเพลินในสิ่งเหล่านี้นั่นแหละเรียกว่ากามมาสะวะเพราะหมายถึงโลภะอย่างที่สองก็คือภวาสะวะเนี่ยนะภาวาสะวะก็คือโลภะอีกนั่นแหละเพราะโลภะต้องการหมายก็ว่าทิ้งอันนี้แล้วก็จะหาอันใหม่ใช่ไหมปกตินะพวกกลุ่มภวาสะวะหรือ ทิฐิที่ไปสําคัญว่าสิ่งเหล่าเนี้ยเที่ยงยงไ่แล้วก็ยังมีภาว ะ, ะตัวอื่นนี่คือทิฏฐาสะวะนี่นะก็คือทิฐินั่นเองไปเข้าใจผิดและอันสุดท้ายคืออวิชชาสะวะก็คือหมายถึงโมหานั่นเองเพราะฉะนั้นการปฏิบัติหรือการพิจารณาอันนี้จบนะอาสะวะเนี่ยจะเป็นเครื่องวัดดูว่า ละอาสวะได้ไหมเพราะผ้าอาหารนี่แปลว่าพระคีนาศพคือผู้สิ้นอาสวะแล้วเนี่ยนะไม่มีการมาสวะภาวะสวะทิฏฐสวะและอบิชากสวะในนี้เลยไม่แต่อันเดียวเนี่ยนะท่านท่านก็เป็นผู้ที่ชำนาญในการเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นของรอ้อนเนี่ยนะไ ม, ม่มโนธรรมมโนวิญญาณภาษาเวทนาไหนหรอกที่ไม่เป็นไม่เป็นที่ตั้งแห่งราคะโทสะ ไม่เป็นที่ตั้งแห่งชาติชรามรณะเป็นต้นท่านท่านก็ล ะ, ะเมื่อรู้พิษสงจริงๆนะเาเรียกว่าเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายก็ถอนถอนอะไรเนี่ยถอนอาสวะซึ่งอาสวะรวมๆเหล่านี้แล้วนะสำคัญในสิ่งเหล่านี้ว่าหนึ่งเที่ยงสองสุขสงามสี่อัตตาว่าโดยรวมๆนะก็คือไปสำคัญแบบนี้ใน ในสิ่งเหล่านี้ขึ้นแล้วอวิชชาสระคือไม่รู้อะไรไม่รู้มโนมโนสมุทัยมโนนิโรธมโนนิโรธคามินีปฏิปทานี่นะไม่รู้ธรรมะธรรมะสมุทัยธรรมะนิโรธธรรมะนิโรธคามินีปฏิปทาไม่รู้มโนวิญญาณมโนวิญญาณสมุทัยมโนวิญญาณนิโรธมโนวิญญาณนิโรธคามินีปฏิปทาภาษาเวทนาก็ในยะเดียวกันนั่นนะมันก็อวิชชาเนี่ยมันปกปิดหุ้มห่อเอาไว้ ขันพระาหันเมื่อท่านรู้แจ้งแทงตลอดในสิ่งเหล่านี้หมดท่านก็เป็นผู้ที่สิ้นอาสวะพะความที่ท่านสิ้นอาสวะเนี่ยท่านรู้ว่าเชื้อที่จะนําปฏิสนธิในภพใหม่เนี่ยท่านตัดขาดแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอาการบําเพ็ญไตรสิกขาในาศาสนาก็เพื่อที่จะละฉันทราคะในอุปาทานขันท่าเมื่อท่านละเสร็จก็ถือว่าจบกิจของาศาสนานี้เนี่ยนะเพราะว่ า, าศาสนานี้มีความบริสุทธิ์จากอาสวะเป็น ที่สุดเนี่ยนะเพราะว่าด้ธรรมะกับบรณฑิที่เกิดมาวิญญาณีเนะกลัวมากเราไม่ค่อยไม่ค่อยชิม่คอยจิสมมุติว่าตัวธรรมะนี่เป็นสมมติว่าเป็นเป็นอะไรสักอย่างเป็นกุศลก็ได้หรืออกุศลก็ได้คือขอให้เป็นอารมณ์ของความคิดเนะี่เอามา ตัวนี้เป็นเป็นเเจนสิ่สักตัวหนึ่งเป็นเเจนสิ่ตัวนะฮะตรงนี้ก็พอจะทําปริญญาได้นะครับคือรั่วลักษณะเป็นยังไงปัจจัยมันยังไงไมาอย่างไงเนี่ยนะเขาพ อ, พอแต่พอมาถึงมโนนี่นะครับตัวทวาร น, นี่นะฮะมโนนี่เราจะมาทําปริญญาเนี่ยนึกไม่ค่อยออกเยปรว่ามัน มันมีปัจจัยยังไงมีอะไรตออะไรมายังไงานเม่เ ค, ย, คยพูดบ่อยก็ <c oughs> ที่ไม่พูดบ่อยก็เพราะว่าพื้นฐานเราเรียนกันมาไม่ค่อยดีอย่างหนึ่งก็คือสังขารเป็นปัจจัยแก้วิญญาณ น, นั่นเองฮะไอมน โ, นโนก็คือวิญญาณที่มีสังขารเป็นปัจจัยนั่นแหละก็คือภวังอนะไอภวังอันนั้นมีสังขารเป็นปัจจัยไม่ต่างอะไรจากปฏิสนธิจิตและจะไม่ต่างอะไรจากจุติจิตที่จะมี ก็ก็มองเห็นนะคือถ้าปฏิจจะยังไงก็ทิ้งกรรมไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าสังขารเป็นปัจจัยกับวิญญาณสังขารนั้นก็บอกเป็นตัวกรรมอยู่แล้วแต่นะั้นก็คือการสาวไปหาเรื่องกรรมนั่นแหละเป็นการพิจารณาวิญญาณคือถ้ามันสาธยายหรือมันตรึกบ่อยๆก็จะเห็นไอเมโนเนี่ยมากขึ้นเพราะว่า เป็นที่สังเกตอย่างหนึ่งว่าทําไมจากการเห็นไปได้ยินได้ทําไมไม่จุติในระหว่างเลยไอ้ตัวไหนรักษาจากเห็นไปได้ยินจากได้ยินจากเรื่องหนึ่งสู่เรื่องหนึ่งจากเรื่องหนึ่งสู่เรื่องหนึ่งจากอารมณ์หนึ่งไปสู่อารมณ์หนึ่งที่เรามาคิดน่ะนะอันนั้นแหละคือภวังของเราไอ้ผวังอันนั้นเกิดจากปัจจัยอะไรนนั้ถ้าเรียนมหาวิบากมาดีก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ว่ารายละเอียดมันอยู่ที่มหาวิบากทีนี้มหาวิบากถ้าจะเข้าใจดีก็มหากุศลน่ะ เข้าใจขนาดนั้นมหากุศลมันให้วิบากเป็นยังไงอ่ะนะมันคลายไปว่าโอ้กลายไปเรียนวิชาอีกวิชาหนึ่งใหญ่เลยลก็เลยในส่วนตรงนี้ก็จะไม่ค่อยพูดแต่ว่าในวิชาอื่นก็พยายามจะอธิบายในส่วนเหล่านั้นค่อนข้างมากอยู่แล้วนั่นหะทำไมพระเจ้าจึงตัดเทศนาอาทิตตริยานทำไมนะ คำถามก็คือเพื่อสงเคราะห์ชะดิน3พี่น้องพร้อมทั้งบริษัทให้พ้นจากวัตถุขุขดินนี่เป็นลูกกระสับที่ทำบุญกับพระพุทธเจ้าผู้สากดิ์มาเกิดใช่ไหมครับมาเกิดในอดีตหรือเปล่าอ่าใช่เมื่ออดีตที่เก้าสิบสองกับที่แล้วอพอพูดถึงพอ ท่านอธิบายตัวโมโนลงไปลึกไปกนิดหนึ่งก็ทําให้เราเราเห็นว่าตัวโมโนนี่มีมีอิทธิพลต่อต่อโมโนวิญญาณมากที่เคยกล่าวเรื่องจริตนะ<ก> ไ, นนะไอพอโมโนวิญญาณเนี่ยใครจริตแบบไหนเนี่ยมโนเนี่ยเป็นเป็นที่สังเกตอย่างเช่นทําไมคนเนี้ยโทสะบ่อยชาวนะก็ เ, เป็นโทสะบ่อยเพราะว่ามาจากภวังนั่นแหละเป็นปัจจัยแล้วผวังอันนั้นทําไมมันจึงเป็นปัจจัยแก่โทสะ เพราะว่ากรรมที่มันเป็นบริวารที่มันเคยทำอ่ะนะเช่นก่อนจะทำโทสะนำหน้าหรือว่าโทสะตามหลังอ่ะอันอกบุญที่ทำเนี่ยมันมาให้ผลนำเกิดไอ้กรรมที่นำหน้านำหลังอ่นแหละมันมาเป็นปัจจัยให้อไอ้ชาวนาคนนี้มีมากไปด้วยเจริตแบบนี้ขึ้นเนี่ยลก็จะไปไปไปคิดเรื่องเจริญเรื่องอะไรอีกเนี่ยเลยก็หมายความว่า ไอ้ตัวทวนาในปัญจทวามิถีเนี่ยมันจะเป็นกุศลนักกุศลเนี่ยอโดยมากไอ้มโนโตัวนี้มีอิทธิพลมากอันนี้นี่ต้องต้องเป็นมโนทวามิถีอย่างเดียวที่พูดเนี้ยถูกฮะตอนตนี้พูดถึงว่าตัวมโนโตัวเนี้ยครับถูกไหมในปัญจทวามิถีบอกว่าพอเห็นปั๊บมันก็เกิดโทสะเลยบางคนหรือว่ามันเกิด เ, เป็นอันอันนี้สัมนวนอ่ะนะว่าเห็นแล้วเกิดโทสะเลยอันนี้เป็นโวหาร ซึ่งหมายถึงถ้าแสดงในแง่จิตมันก็มีปัจจัยอีกตั้งเยอะแย <c oughs> ะมโนนี้ซึ่งหมายถึงพวังเนี่ยนะมีอะไรเป็นอารมณ์เช่นกรรมหรือกรรมนิมิตหรือคตินิมิตเนี่ยนะ เ, เป็นอารมณ์แล้วก็วัตถุก็อาศัย อธยาวัตถุอีกชื่อหนึ่งของมโนโรเรียกว่าอุปติภพเนี่ยนะเพราะว่าเป็นภพที่เกิดจากกรรมเป็นตัวเหมือนกับว่ารักรักรักษาคนนั้นเอาไว้ทีนี้มโนโอันนี้มีกรรมเป็นตัดใ จ, จนี้มโนของมนุษย์ทั้งหลายก็มาจากมหากุศลเนี่ยนะติเหตุหรือทวิเหตุก็ว่าไปหรือทวิเหตุ หมายความว่าคนนั้นเนี่ยพื้นฐานฉลาดหรืองโง่เพื่อจะจะบอกว่าติเหตุหรือทวิเหตุทีนี้ไอ้ติเหตุทวิเหตุเหล่าเนี้นก็ยังมีอีกว่าถ้าเป็นยกตัวอย่างติเหตุว่าประกอบไปด้วยอะโลภาอโทสะและอโมหะอโลพาอโทสะอะโมหะไม่ใช่ว่ามันมีกําลังหมดนะแต่ละคนเนี่ยอะโลภาเนี่ย อ่อนกำลังมากถ้าอะโลพะอ่อนกำลังคนนั้นจะเอาอย่างเดียวไม่รู้ว่าถ้ามีผลประโยชน์อยู่ด้วยก็คุยกันรู้เรื่องถ้าไม่มีผลประโยชน์คุยกันไม่รู้เรื่องพวกนี้จะเอาอย่างเดียวถ้าถ้าอะโลพะมันอ่อนกำลังมันมีแต่มันมีปริมาณน้อยถามว่าต้มจืดเนี่ยมีเกลืออยู่ในนั้นไหมมีทำไมเรียกต้มจืดะ คือปริมาณเกลือมันน้อยเลยเราเรียกว่าต้มจืดฉันใดอะโลพาในในบุคคล น, นั้นมนีแต่ว่ามันอ่อนเกินไปที่จะเรียกว่าอะโลพาแต่ถ้าอีกคนหนึ่งที่อะโลพาเนี่ยแก่คือแปลว่ามีกำลังมากคนเนี่ยไม่เอาอ่ะพูดจะไม่เอาอย่างเดียวอะไรก็ไม่เอาทีนี้โทสะก็เหมือนกันว่าอ่อนหรือแก่โมหะเนี่ยอ่อนหรือแกก็อันนี้เป็นตัวกาหนดว่า พื้นฐานของคนเนี่ยเขาจะคิดอะไรต่อไปแต่ถ้าไม่องค์ประกอบพวกนี้ไม่ได้เช่นว่าตัวใดตัวหนึ่งขาดไปตัวที่สำคัญมาก น, นะถ้าจะขาดคือขาดอโมหะขาดปัญญาถ้าขาดปัญญาปั๊บเนี่ยชาวณนหรือมโนอันเนี้ยสานวนว่าอันนี้เป็นปัจจัยแก่อริยมรรคไม่ได้นั่นก็ชาตินี้ก็ไม่ได้บรรลุไม่ตีเหตุหก็บรรลุไม่ได้ หรือวิปัสสนาก็สอนนะเข้าใจยากเต็มทีเหมือนกันเนี่ยโน่นะไปท่องเกสาโลมาไปเหมือ น, นกันก็บางคนเนะ่ยธาตุเขาก็ได้เนี่ยพิจารณาผมขนเล็บได้เท่านั้นจริงๆพิจารณาอุปาทายรูปไม่ได้บางคนพิจารณาภูตารูปอุปาทายรูปได้พิจารณานามไม่ได้นะบางพวกก็พิจารณานามได้แต่ว่าจะพิจารณาควบคู่กันทั้งรูปทั้งนามก็พิจารณ า, ามไม่ได้ บางคนเนี่ยแค่นั้นนะพอได้แต่ปัจจัยนี่ไม่ได้เลยบางคนเนี่ยปัจจัยอพอได้แต่พิจารณาไม่เที่ยงเป็นต้นไม่รู้จะไปคิดยังไงต่อไปบางคนก็ไม่เที่ยงพอได้เหตุเกิดความดับก็อยิงไปเรื่อยๆนะมันก็ค่อยๆหมดไปเรื่อยอย่างเนี้ยอันขีดความสามารถมันจะไม่เท่ากันนะเพราะมาจากอะไรมาจากกรรมที่มันนําเกิดเนี่ยซึ่งไอ้ตัวกรรมอันนี้ก็หมายจะเป็นไปกับอะไรทานศีลภาวนานเนี่ยนะ อันนี้ในแง่บุญนะทีนี้อันนี้โดยกรรมาปัจจัยแล้วอุปนิสัยอ่ะอันนี้นอุปนิสัยนี่หมายถึงว่าเขาเคยพ่ออัธยาสัยมาที่จะเบื่อมนโนธรรมะมนโนวิญญาณภาษาเวทนาไหมเขาเคยคิดว่าเขาต้องออกจากสิ่งเหล่านี้ให้ได้ที่เรียกว่าอัธยาสัยวิวัตะนะจะต้องออกจากความคิดให้ได้จะต้องออกจากอารมณ์ออกจากภาษาเวทนาต้องออกจากสิ่งเหล่านี้เขาตั้งอุปนิสัยอันนี้ไว้ไหม ไออุปนิสัยอนนี้แหละที่เรียกว่าปรารถนาบรรลุมรรคผลนะถ้าไม่ตั้งเอาไว้เนี่ยคุยยังไงมันก็ไม่เบื่อจากพวกนี้นนเห็นไหมก็ไม่เห็นโทษเห็นไหมเคยเจราจากับพวกติดยาติดบุหรีไหมเล่าอย่างถ้าเขาไม่เคยคิดเลิกมาก่อนเลยเนะยไปเล่าว่าบุรีมันมีโทษอย่างนั้นอย่างอย่างมากเพราะอุปนิสัยว่าบุรีมันมีโทษไว้ให้เขาเท่านั้นเองแต่บอกให้เขาเลิกไม่ได้ แต่ถ้าเขาตั้งใจไว้นานแล้วเขาจะต้องเลิกเขาจะต้องเลิกอะนะคุยอาจจะหลายครั้งหน่อยเขาอาจจะเลิกได้จริงๆอันนี้ก็เหมือนกันอัะนนะี้มันติดยิ่งกว่าบุรี่ตั้งเยอะยบุหรี่คนเลิกได้ตั้งมีให้เห็นเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดใช่ไหมแต่ว่าไอคนที่จะเลิกยึดถือในเนี่ยมโนธรรมะมโนวิญ ญ, ญาณภัดสภาวทนาเนี่ยนะหายากพอกับหาดอกมะเดื่อมั้งเพราะอะไรเพราะว่าหมูสัตว์นี่มี มีอะไรเป็นที่มายินดีอยู่แล้วยินดีในอะไรว่างั้นเธอไหนไม่ดึงไม่มีจอก ม, <appointment> มันออกมาเป็นปุ่มๆๆแล้วก็เขาอุปมาเขามีเรื่องว่าเขามีตะพราหม์คนหนึ่งอนะ เ, เขา เขาถูกหลอกอ่ะบอกว่าคุณต้องไปหาดอกมะเดื่อเนี่ยนะเขาก็เที่ยวค้นหาไปเสร็จแล้วเขาก็มาเล่าว่าคุณเนี่ยถูกหลอกมาแล้วดอกมะเดื่อมันมีที่ไหนในโลกว่างนนั้นนด้ไม่มีหลอกเนี่ยนะเขาอุปมานะฮะอุปมาว่ามีคนหลอกให้ไปหาดอกมะเดื่อว่างนนั้นได้ไม่อยู่ในขั้นี่โดดมีในชาดอกมี อ, อ่าได้อ่านแล้วนะาเล่มห้าสิบห้าเป็นต้นไป <c oughs> ถึงหกสิบสี่ เ, เนะมาดูวิธีการพิจารณาอายตนะแบบปฏิสัมพิธรรมมา์นะเห็นแล้วก็เออับท่านพระสารีบุตรแสดงวิธีพิจารณาอายตนะค่อนข้างละเอียดดีนะซึ่งเป็นการแสดงตามลำดับของปริญญาด้วย